จะนิพพานมาหรือไม่สมเด็จพระเจ้ามิรินปินกษัตริย์ขัตติยาทิราชผู้มีบุพพาวาสนาจะได้สาเร็จแก่พระบวรามริตยาที่คัตธรรมอันประเสริฐคือจะได้พระนิพพานในปัจจุบันจึงมีพระราชโอคงการถามปัญหาพระนาคเษนสื่อไปเล่าว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนเถระผู้มั่นในอริยศินสังวรวินยัย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 ราชสมบัติร้อนหาชอบไม่เลยฝ่ายผู้นั้นบุญน้อยไม่ควรที่จะเสวยจึงเป็นอันตรายฉิบหายต่างๆจนถึงอาสันพระน่าเกษจึงถวายพระพรว่าความนี้ฉันใดก็ดีอันว่าภูมิเพศครรารวาสนี้ต่ำช้าไม่ควรที่จะครอบพระบวรวีมุติสเสวตฉัตรได้แม้สาเร็จพระอรหัตตัดกิเลสวันใดแล้ว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 ปายสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทรราชได้ทรงฟังโอวาทวิสัชนาก็ทรงสาธุการต่างๆสันเสริญพระหน้าเคเสนว่าประกอบด้วยยาณปรีชาขิหิอรหัตตะปัญหาเป็นคำรบสามจบเพียงนี้